6. กุติการะศิขาบทภิกษุสร้างกุดีด้วยการขอเอาเองต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. กํากำลังใช้ให้สร้างต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. ยังเหลืออิดอีกก้อนหนึ่งจึงจะเสร็จต้องอาบัตทุนละใจัย 3. อิดก้อนสุดท้ายเสร็จแล้วต้องอาบัตสังคาทิเศษ